<c oughs> Hello, <T> รู้ไหมบางทีคนเราก็ต้องมีแยบและช้ำใจ บางอย่างก็มีผิดหวังบางครั้งต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องแจบแบบนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เคยเป็นอย่างเธอสวัสดีครับผมออดี้ครับ ก็คงจะได้อ่านหนังสือเขียนอารมณ์ให้เป็นเพลงของออดี้กันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามผลงานของออดี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเพลงหรือว่าเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ก็ตามซีดีแผ่นนี้เป็นซีดีที่รวบรวมเพลงที่ผมเคยทำไว้ด้วยหรือว่าเป็นเพลงใหม่ๆของผมในรูปแบบต่างกันไปบางเพลงก็ไม่ได้นามาใช้ในอัลบั้มก่อน บางเพลงก็เพิ่งเขียนใหม่ผมเอามาให้ฟังเป็นซีดีเอาไว้ประกอบการอ่านหนังสือเขียนอารมณ์ให้เป็นเพลงของผมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังฟังซีดีแผ่นนี้จาก mp3 อยู่รีบไปหาซื้อหนังสือเขียนอารมณ์ให้เป็นเพลงของออดดี้มาอ่านด่วนเลยครับเพราะว่า คุณทำแบบนี้ไม่ถูกครับคุณเล่นฟังเพลงผมจาก MP3 คุณต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านถึงจะได้เพลงประกอบอันนี้มาฟังประกอบกับการอ่านนะครับขอบคุณแฟนเพลงของออดี้ทุกๆคนที่ซื้อของจริงมาโดยตลอดนะครับขอบคุณแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงและทุกๆอย่างรอบตัวผมที่ทำให้เ ก, เกิดความรู้สึกต่างๆมากมาย ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่ให้เกียรติสนับสนุนผลงานของออดดี้ในหนังสือ p o c k e t b ตบุเขียนอารมณ์ให้เป็นเพลงเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็น a i r a s อเียที่สนับสนุนการเดินทางของออดดี้ขอบคุณ n o v o เ e l สยามสแควร์และ c อน c e p t c m ีเอขอบคุณร้านชา l i e Brown Hair Auto สยามสแควร์ซอยห้าขอบคุณ The Forte สนับสนุนสถานที่เปิดตัว ขอบคุณ Sound School Record และทีมงานทุกคนขอบคุณนักดนตรีทุกคนในวงอาร์ดีขอบคุณหนุ่ยที่มิกซ์เสียงให้ขอบคุณพี่นัททีขอบคุณกองบอกอของหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องต่อคนเก่งของเราน้องพึ่งและก็พี่ตูนนะครับขอบคุณน้องแนนด้วยนะครับที่ให้ยืม เครื่องอัดเสียงเล็กๆเอาไว้สะดวกในการทำงานขอบคุณทุกคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านและไว้วางใจผลงานของผมหวังว่าคงจะได้เจอกันอีกนะครับแล้วเราคงจะได้สนุกกันในครั้งต่อไปขอมีความสุขทุกคนครับจนกว่าจะพบกันอีกสวัสดีครับ